บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของความสงสัยที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นเกิดขึ้นจากการไม่กระทําไว้ในใจโดยอุบายแยบขายคือไม่ได้ใช้ปัญญาสดสอง ป็นิพจา์นาเจาะลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นหรือไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบบางเรื่องบางตอนความเครือบแคลงสงสัยในแต่ละเรื่องก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาปัญธรรมะที่เป็นเครื่องกระจัดความเครืบแรลงสงสัยในตอนต้น ก็คือการทําไว้ในใจคือการนําเรื่องเหล่านั้นมาคิดพินิจพิเคราะห์สอดส่องเียบเคียง พ, ยพิจารณาโดยบายวิเทียนแยกข่ายหมายความว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรก็ต้องเอาเงื่อนไขข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาและการศึกษาการเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นก็ใช้เครื่องหมายเครื่องมือใดกันเราก็ใช้เครื่องหมายเครื่องมือชนิดเดียวกัน เป็นเรื่องมือในการตรวจสอบและผลคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงตามหลักความเป็นจริงที่เป็นสากลก็จะ ค, ค่อยๆบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเล่านั้นโดยลำดับแต่ความรู้ที่ถือว่าไม่วิปริตเปลี่ยนแปลงนั้นการใช้ปัญญาสอดส่องพิจิตรเจนาจะต้องขึ้นไปอยู่ในจุดหนึ่ง ฉันเรียกว่าพิธิสัมปันะคือสมบูรณ์้วยชิตจิตได้แก่มีความคิดเห็นสมบูรณ์มีปัญญาประเภทที่คุ้มครองตัวเองได้รักษาตัวเองได้แม้จะมีแรงกระทบกระแทกกระทุง้งหรือแม้แต่กระทํามาจากข้างนอกจิตใจก็จะไม่โอนเอียงออกไป ปัญญาที่สอดส่องนั้นสามารถที่จะแยกแยะได้อะไรอย่า ง, างชัดเจนตามความเป็นจริงคือมองได้ทั้งสองแนวแนวแยกก็ได้แนวรวมก็ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล น, นั้นคูอสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นความเคลือบแครงในสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในอยศิกขา คือเรื่องชีวิตอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัิยาการมันเกิดขึ้นจากการไม่รู้จักแยกไม่รู้จักรวมพอเรื่องที่เราควรจะมองแยกเราก็มองในแนวรวมในสุดก็มีอาการเหมาโลกเกิดขึ้นในส่วนของพระตนาใจดันส่วนของพระพุทธกับพระธรรมไม่ค่อยมีปัญหา ในส่วนของประสงค์มักมีปัญหาในการสร้างความสับสนหรือความเครียดแกร่งให้บังเกิดขึ้นแต่เมื่อวิเคราะห์ตรวสอบลงไปก็พบ ว, ว่าเราก็ไม่เข้าใจคำว่าประสงค์ตามความเป็นจริงโดยอาศัยการกาหนดหมายเอาจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วก็ตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาตฐานเอาไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างโน้น หรือไม่มีเป็นอย่างเมื่อท่านไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่าท่านควรจะเป็นหรือท่านจะต้องเป็นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแกบุคคลเพียงคนสองคนแต่นั้นเองแต่ความเคลือแคล ง, งสงสัยก็จะครอบคลุมไปถึงพระสงฆ์ทั้งปวง น, นี่แสดงเห็นว่าในเรื่องถึงคราวที่เราจะมองในแง่ในแง่ของการแบ่งแยก เราก็เกิดเป็นการมองรวมกันทำให้มีกระแสะความคิดทเทโลเรียกเหมาโหลคือเป่ากันไปเลยเป็นคนดีกันไปเลยเป็นคนไม่ดีกันไปเลยโดยขาดการพิจารณาแยกแๆออกไปชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเครือบแคลงสงสัยในกฎของปัจจัยาการซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติธรรมดาพระเจ้าทรงใช้คำว่าธรรมทิติ หรือทำรรมนไยากหรือก็ตั้งอยู่โดยธรรมชาติของเขาแล้วก็อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขกัขขขงธรรมชาติเขาพระเจ้าจะเกิดขึ้นมาหรือไม่เกิดขึ้นมานั้นจริงเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วพระเจ้าเพียงแต่เพียงแต่ตรัสรู้เราค้นพบเรื่องเหล่านี้ก็จะมาเปิดเผยชี้แจงแสดงและเมื่อพระองค์แสดงไปแล้ว คนจะเกิดความรู้หรือเกิดความสงสัยหรือเกิดความไม่รู้ก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คงจะเป็นอยู่อย่างที่เขาเป็นคือเขาเคยเป็นยังไงเขาคงเป็นเขาอย่างนั้นเพียงแต่ ว, ว่าผู้รู้ก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นผู้ไม่รู้ก็จะตกเป็นทาสคือสยบจิตอยู่กับสิ่งเหล่านั้นผู้เครือแ่รงสงสัยก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง เป็นลักษณะกระแสชีวิตสามกระแสยังคืยยัยงเคยตั้งข้อสังเกตให้ดูว่าชาวพุทธของเรานั้นแม้จะศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาไม่มากเท่าไหร่ก็ตามแต่คนจะรู้จักชื่อพระพุทธเจ้ารู้จักชื่อพระเทวทัตได้รู้จักชื่อพ ร, ร, ระองค์ุลิมานตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชื่อทั้งสามท่านนั้น เนการแสดงออกของธรรมะทั้งสามกระแสดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจนพระพุทธแสดงออกมาซึ่งความรู้ที่สมบูรณ์จนเรียกว่าสัจรูเป็นวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงเป็นอภิปูชาญบุคคลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรระลึกถึงพระองค์ด้วยความเคารพนับถือศรัทธา ส่วนพระเทวทัตนันเป็นเรื่องของอวิชชาอย่างแท้จริงที่ปิดบังเอพผลปิดบังสติปัญญาของท่านก็ทาให้พฤติกรรมของท่านมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยลาดับเพราะเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยก็ต้องเกิดสังขารโดยการปรุงแต่งที่เป็นบาปที่เป็นบุญออกมาแต่เมื่ออวิชชามากมันก็ปรุงแต่งเป็นบาปออกม า, มา ถ้าลองสังเกตรประการกระทำแบบปฏิบัติทัร์ก็รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนดูไปดูมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนจะทำได้อย่างนั้นแต่ท่านก็ทำของท่านได้ส่วนพระองค์กุลิมานั้นเป็นรูปของสองกระแสคือสองช่วงเป็นลักษณะสว่างก็ไม่เชิงมืดก็ไม่ใช่ แต่ตอนแรกเนื่องจากการขาดเหตุผลเป็นเรื่อง ส, สอนเป็นนิพพิจนาท่านก็ไปของท่านเป็นหมาโจรไปเลยแต่พอเกิดตัวรู้ขึ้นมาท่านก็กลับวิถีชีวิตในลนักษณะจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยแล้วกลายเป็นพระอรานที่มีชื่อเสียงอยู่ภายในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่เพื่อทีงเราเฉลี่ยชาวพุทธทั่วทั่วโลกแล้วก็จะพบ ว, ว่า ที่ประมาสาวกบางรูปใซสำไปที่คนรู้จักน้อยกว่าพระองคุติมานรู้จักน้อยกว่าพระเทวทัน์อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบทบาทของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็เหมือนๆกันเพราะท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจุดแต่ว่าบทบาทเหล่านั้นเป็นบทบาทเด่นมาอยู่ที่พระพุทธเทจ้าไปแล้วเพราะท่านเหล่านั้นจึง มีบทบาทที่เป็นรองลงมาคนจึงรู้สึกเรื่องราวรู้จักเรื่องราวของพระพุทธเจ้าโดยตลอดแต่เรื่องพระมหาสวกบางท่านเราก็ไม่รู้จักท่านัน้นั้นกระแสชีวิตในแนวนี้เมื่อเราย่อลงไปก็จะเห็นได้ว่ามันก็อยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคน เศรษิจวงจํากัดของความรู้ของความไม่รู้หรือของความเครือบแคลงสงสัยเอาไว้ตั้งนั้นเมื่อก่อนได้พูดมาถึงเรื่องของวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเรื่องคำว่าวิญญาณนั้นในปัจจุบันมีภาษาที่ถกเถียงกันการที่ถกเถียงกันนั้นก็คือว่า เราไปบัญญัติเอาเองขึ้นมาใหม่ทั้งๆ ท, ที่ว่าเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ดูว่าพระองค์ทรงนิยามไว้ อ, อย่างไรทรงหมายถึงอะไรก็ต้องอธิบายไปตามนั้นถ้าอธิบายไปนอกจากนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไปคือความคิดเห็นของเราไปและในที่สุดเมื่พูดกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องทั้งๆ ท, ที่ใช้ชื่ออย่างเดียวกัน ควาวิญญาณในพระพุทธศาสนานั้นมีใช้อยู่หลายแข่งด้วยกันแห่งแรกก็คือวิญญาณธาตุธาตุคือธาตุุกที่แปลว่าธาตุคือเป็นเชื้อของความรู้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายวิญญาณธาตุนั้นมีคุณภาพมากคุณภาพน้อยแตกต่างกันออกไป ตามศาสนาบารมีของบุคคลเหล่านั้นที่สั่งสมไว้ไม่เหมือนกันแต่ประการที่บุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็ต้องมีวิญญาณธาตุอยู่ด้วยกันหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีวิญญาณธาตุอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่ามีความหยาบกลางประนีแตกต่างกันเท่านั้นเองลจากวิญญาณธาตุนี้เองมันก็นําไปสู่วิญญาณกันคือการรับรู้ทางประสาสัมผัส ที่จะเรียกชื่อตามประสาสัมบัติของเราโดยจะปุวิญญาณคือความรู้รูกทางตาโสตะวิญญาณความรู้เสียงทางหูคณะวิญญาณความรู้กลิ่นทางจมกูกกระสาวิญญาณความรู้รสทางลิ้นกายวิญญาณความรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวทางกายและมนโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นภายในใจของ อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิญญาณหและในวิญญาณทั้งหนี้เองที่ส่งมุ่งหมายในปฏิจจสมุปบาทโดยในยะหนึ่งพระในปฏิจจสมุปบาทนั้นจะทรงแสดงวิญญาณไวสองวิญญาณแต่นีจริงแล้วเป็นเรื่องเหตุผลของการแลกกันกล้ๆกับการอธิบายสังขาร ซึ่งสืบเนื่องมาจากกวิชาดั้นเดิมในพระบาลีท่านก็แสดงไว้สองในายานเป็นัยยานั้นจะต้องเข้าใจว่าเป็นเหตุเป็นผลที่ติดต่อเนื่องถึงกันไปคล้ายๆกับเปิดไฟกับแสงสวรร่างเราเร็นว่าเป็นเหตุเป็นผลของกันและกั น, ม, นมีไฟมันก็มีแสงสวรร่างพอแสงสว่างกับไฟมันก็แยกออกจากกาันไม่ได้ แต่เราจะพูดว่าแสงสว่างคนก็รู้ว่ามาจากไฟแต่บางทีเราไม่พูดเราไม่พูดแสงสว่างเราพูดรูปไฟคนก็รู้ว่าสว่างเพราะส อ, สองสิ่งนี้ไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ลคล้ายๆกับเราไม่สามารถจะแยกความเค็มออกจากเกลือแยกความหวานออกจากน้ำตาลและแยกความเย็นออกจากน้ำเปต้น วลคำเหล่านี้ที่จริงแล้วถ้าเราเข้าใจถึงสภาวะที่เกิดขึ้นคนละช่วงคนละขณะที่ต่อกันไปเราก็ไม่มีความจะเป็นอะไรจะมาถกเถียงกันอย่างสังขารในประบาลีก็ทรงแสดงไวเฉพาะในปฏิจจสมบาทก็แสดงไว้สองแนวทำไมจึงใช้คำว่าเฉพาะเพราะว่าสังขาร น, นั้นจะใช้คำอยู่มากเพราะในแง่ของควา ม, มนจริงแล้วสิ่งที่ผสมปรุงแต่งด้วยกัน คือไม่ได้เกิดขึ้นลำพังตัวคนเดียวมีอย่างอื่นเข้ามาประกอบท่านก็เรียกว่าสังขารทั้งนั้นสังขารจะเป็นคํารวมๆบางครั้งท่านก็เรียกรวมๆไปว่าสังขารมีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองบางทีก็แยกเป็นสองประเภทเป็นสังขารก็เป็นวิสังขารสังขารก็หมายความว่ามีปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งเป็นวิสังขารก็คือไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง สังขารในปฏิจจสมุปาตันส่วนหนึ่งก็ทรงแสดงกายสังขารวจีสังขารแล้วก็จิตสังขารกายสังขารก็คือสิ่งที่ปรนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้มีความเจริญเจริต่อสืบต่ อ, อ, ตอ ก, กันมาได้แก่ลมหายใจเข้าออกแล้วจีสังขารก็คือความจกนึกต่างๆที่ท่านเรียกวิวตกิจาร์ให้ลองสังเกตเราจะพูดเราจะทําอะไรก็ตาม เราต้องนึกคิดซะก่อนจึงพูดจึงทําออกไปถ้าพูดทําออกไปโดยไม่นึกคิดซะก่อนการพรั้งพรา่าการเผลอเรอความหลมลืมต่างๆก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ผลที่เป็นภยัยเป็นอันตรายก็จะติดตามมาจนจิตสังขารนั้นก็คือสัญญากับเวทนาสัญญาก็คือความจําแต่ถามว่าเราจําอะไรไปในโลกเราจํานั้นสารพัดจํา แต่พะกะกลุ่มก็จริงๆมันก็มีอยู่หกกลุ่มด้วยกันไปจําสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเวทนาก็คือผลที่เราเคยเสวยมาภายในอนดีตเวลาเรานึกถึงอะไรให้เราสังเกตว่ามันจะมีอาการต่อเนื่องเกิดขึ้นภายในจิตใจเราเช่นสมมุติว่านึกถึงคนสักคนหนึ่งเช่นนก่อ ในกอนั้นเราจำนายกไว้ในฐานะอะไรจำในฐานะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นปู่ญาติตายายพอ น, นึกถึงนายกรเราก็เกิดสุขเวทนาหรือถ้านายกป่วยเราเกิดทุกขเวทนามันก็เป็นอาการต่อเนื่องที่นี้สัญญาคือความจำก็ดีเวทนาก็ดีนันที่ทำให้เรานึกถึงนายกอได้แล้ก็เกิดความรู้สึกตามได้เนี่ย มันก็อาศัยความจำนายกอไว้ในอดีตอย่างหนึ่งด้วยความรู้สึกผูกพันต่อนายกอในอดีตที่กลายเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างหนึ่งมันก็เก็บไว้ภายในใจเราก่อนแล้วดังนั้นพอเราลึกถึงนายกอถ้าในฐานะที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายก็ขึ้นอยู่กับสถานะนายกอในขณะนั้นรู้ข่าวว่านายกอได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเราก็เกิดสุขเวทนาเพราะอะไรพระจํานายกอว่าเป็นญาติเรา เป็นพระโค้เพืพ่อนฝูงเราเมือ่อนายก่อได้ดีเราเกิดสุขเวทนาลูกเขานายกอ่อป่วยเราจำนายกอเป็นญาติของเราเราเกิดเป็นห่วงเป็นใหญ่ขึ้นมาก็เกิดเป็นทุกขเวทนาเพราะสัญญาก็ดีคือความจําก็ดีความสุขความทุกข์ก็ดีที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่จริงอาศัยสัญญาและเวทนาในอดีตเข้ามาปรุงด้วยเพราะนั้นจึงเรียกว่าเป็นจิตสังขาร เนี่ยจากกายการที่กายมีสังขารปรุงกายว่าจาใจมีสังขารปรุงแต่งก็งมีเองมันก็ทําให้เกิดการกระทําการพูดด้วยความคิดที่เป็นความดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นบุญบาป บ, บ้างเป็นบาป บ, บ้างมันก็กลายเป็นสังขารส่วนผลซึ่งในพระบาลีก็แสดงไว้ทั้งสองฝ่ายสังขารส่วนผลก็คือ สังขารที่เป็นบุญสังขารที่เป็นบาปสังขารที่เป็นผลของการปฏิบัติทำเป็นเพี้ยนทางใจจนถึงอรูปฌานไปถ้าเห็นว่าเวลาอธิบายอธิบายตัวเหตุก็ได้ตัวผลก็ได้พระจริงเขาแยกออกจากกันไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราได้พบปริยายหนึ่งแล้วคนหนึ่งอธิบายโดยในยะหนึ่งเราเข้าใจอองคนนี้พูดโดยเหตุคนนี้พูดโดยผล มันก็คล้ายๆกับพูดถึงผลไม้บุคคลอาจจะพูดถึงรูปร่างคนหนึ่งอาจจะพูดถึงสีคนหนึ่งอาจจะพูดถึงรสขาวคนหนึ่งอาจจะพูดถึงกลิ่นของผลไม้ผลนั้นแหละแต่เราก็เข้าใจว่าตรงเนี้เขาพูดถึงสีถึงกลิ่นถึงรสถึงรูปร่างถึงสีของผลไม้แต้เนิ่นการโตเถียงกันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีโยนิโสมณสิการเข้ากำกับการรับรู้ในขณะนั้นนั้น แล้วเข้าใจกันโดยเหตุโดยผ ล, ลไม่จะเป็นที่จะต้องถกเถียงกันพอมาถึงนามพอมาถึงวิญญาณก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านก็แสดงว่าทั้งสองวิญญาณเมาก่อนแสดงในส่วนที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณก็คือวิญญาณที่เป็นที่รวมของกิเลสซึ่งอันที่จริงก็ไม่ใช่กิเลสทั้งหมดมันก็เป็นธรรมะอยู่ด้วย แต่ว่าในแง่ของสังสารวัฏศตร์ใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพ ร, ระาราหันท่านก็เรียกว่าเป็นกิเลสคือเป็นอวิชชาอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าจะมืดมากหรือมือดน้อยเท่านั้นมันคําชายก็คงใช้คำว่าอาวิชชาเพราะคนที่จะหมดอวิชชาได้มันมีเฉพาะพ ร, ระาราหันเท่านั้นพวกอวิชชาก็คือกิเลส แล้วก็บุญบาปที่บุคคลกระทำที่เป็นสังขางกรกล่างนั้นเองก็นําให้เกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณคือปฏิสนธิในภพในชาตินั้นๆซึ่งทรงเรียกว่าอีกแข่งหนึ่งว่าวิญญาณทิติคือที่ตั้งหรือที่เกิดหรือที่อยู่ของวิญญาณแต่คาว่าวิญญาณในความหมายนี้หมายความว่าเมื่อปฏิสนธิเมื่อจุติปับแล้วก็เกิดปุ๊บก็เป็นชีวิตนั้นๆก็แล้วแต่ แต่แต่บุญบาปที่เป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวกาหนดภพชาติภูมิจิตของบุคคลให้มีความยาวความประณีศแตกต่างกันออกไปวันคำว่าวิญญาณในพระพุทธศาสนาก็จึงมีสี่คำท่าที่ปรากฏในที่ต่างๆก็หนึ่งก็ตัววิญญาณในธาตุถ้าถามวิญญาณธาตุนั้นเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากการรับรู้ในอนดีตทางวิญญาณขัน แล้วก็สร้างเป็นปฏิสนธิบิน ญ, ญาณขึ้นมาในภพชาติก่อนให้ท่านมีความหยาบกลางประนี่แตกต่างกันเพระาะทําให้การรับรู้ของเราในชีวิตประจําวันในแต่และเรื่องจะมีความแตกต่างกันเพราะพื้นฐานของวิญญาณธาตุนั้นเก็บสะสมสิ่งเหล่านั้นมาไวไม่เหมือนกันบางคนดูแล้วไม่น่าเชื่อความธรรมานิดเดียวทันเด้งบรรลุรมกฏไม่ได้แล้ว ก็แสดงวิญญาณวิญญาณธาตุของท่านมีเชื้อของธรรมะอยู่สูงมีการเก็บการสะสมเรื่องของธรรมะไว้จุและเราอาจจะมองเลยไปจดจืเรื่องราวต่างๆที่ได้เคยศึกษาและเรียนมาจะเรื่องของฉดกต่างๆตลอดถึงประวัติของพระอริยสาวกเราจะพบว่าท่านเหล่านี้ได้สะสมเรื่องหลานี้มาตลอดพบชาติของท่าน มันก็มากเป็นธรรมดาคล้ายๆกันเอาช่วงชีวิตวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งหรือหลายๆปีเรามาดูสั้นๆกันได้เช่นสมมุติว่าวันนี้ตอนเช้าคนหนึ่งอ่านหนังสือธรรมะคนหนึ่งอ่านหนังสือเรื่องเกษตรคนหนึ่งอ่านหนังสือเรื่องการคลังแล้วก็เสร็จแล้วมานั่านคุยกันคือคนทด่อ่านหนังสือเรื่องของธรรมะก็จะเข้าใจเรื่องธรรมะในช่วงของวันนี้ได้อย่างชัดเจน เรื่องกเกษตรก็จะติดตามขา่ขาวเกษตรได้อย่างชัดเจนคนเรื่องการคลังก็ติดตามข่าวเรื่องการคลังได้อย่างชัดเจนมันก็เหยียดเวลาออกไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายหลายปีและจากหลายๆายปีก็เป็นหลายๆชาติอาศัยการเก็บการสะสมที่ต่อเนื่องกันม า, าก็กลายเป็นตัวเสริมสร้างคุณภาพของวิญญาณนักทได้มีความประณีตขึ้นแต่นอนอนเราก็ผ่านการเกิดมาแล้ว ปัญญาธาตุของเราจะมีคุณธรรมอยู่มากน้อยอย่างไรก็มีเท่าที่มีปัญหาสําคัญในปัจจุบันก็คือตูของบิน ญ, ญาณขันไดแก่การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอจะต้องสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายอยู่ตลอดระยะเวลาแม้บางครั้งตาจะไม่เห็นรูหูจะไม่ฟังเสียงจมูกจะไม่ดมกลิ่นลิ้นจะไม่ริมรสกายจะไม่จับถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งที่น่าสนใจก็ตาม ใจใจก็จะเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์อยู่ปัญหาในการประพฤติปฏิบัติจึองมาเน้นกันตรงนี้เพราะวิญญาณอท่านั้นเป็นเรื่องอดีตไปแล้วเราทำได้ในปัจจุบันก็คือเพิ่มคุณภาพของวิญญาณวิญญาณอท่าจะ้มีความประณีตขึ้นแต่นั้นเองแต่เราไปแก้ไขในส่วนอดีตไม่ได้ธรรมะปฏิบัติจึงแสดงโวขารต่างๆออกมาโดยในยะนี้ พึงระลกว่าหลักการปฏิบัติที่สำคัญในท่านในชั้นของศีลทรงใช้ก็มาอินสีสังวรคือการสำรวมระหว่างเวลาตาเห็นรูปูฝังเสียงจมูกุมกลิ่นลิ้นร้สกกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ใจจดนึกถึงอารมณ์ให้มีสติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้น อั น, นี่จิงแล้วก็เป็นการดึงคุณสมบัติของเราที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั่นเองเข้ามาใช้เราค้ายๆกฝุ่นมาเราก็ปิดตาเอาไว้หรือปิดหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าหน้าเข้าตาเราเราแสดงว่าเป็นความรู้เท่าทันทั้งความจริงการมีบัตต น, นี่รู้เท่าทันทั้งความเป็นจริงนั้นเราจะมองในส่วนอื่นๆก็ได้เช่นว่า เราเข้าไปในกลุ่มแก๊สพิษก่อนจะเข้าไปรู้เท่าทันตามความเป็นจริงก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้าไปคือจำเป็นจะต้องเข้าไปก็เข้าไปแต่เนื่องอยากเรามีเครื่องป้องกันแต่แล้วแก๊สพิษนั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้คนหนึ่งเข้าไปเพิ่งรู้ในช่วงหลังสูตรหลังจะสูตรแก๊สพิษไประยะหนึ่งแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยตีคนหนึ่งเข้าไปโดยไม่รู้เลย ตึงก็สูดแก๊สพิษเข้าไปเต็มที่ตึงอาจอาจจะถึงตายก็ได้อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้นั่นเราเห็นภาพของบุคคลสภาพที่ออกจะชัดเจนว่าตัวกําหนดอาการของบุคคลให้แตกต่างกันทั้งๆ ท, ที่เข้าไปในกลุ่มแก๊สพิษด้วยกันก็คือความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงหรือไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงหรือรู้เท่าทันตามความเป็นจริงช้าไป ล้วก็ออกมา3มลักษณะลักษณะที่รู้ท่าทันตามความเป็นจริงก็ปลอดภัยทางที่เข้าไปอยู่ท่ามกลางแกผิดคนที่รู้ช้าไปก็ประสบอันตรายระดับหนึ่งแต่ต่อมาก็แก้ไขกันได้แต่ก็ต้องสูญเสียเวลาไประยะหนึ่งคนไม่รู้ท่าทันตามความเป็นจริงก็สลบสลายหรือตายไปเลยเราะการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้น เราจะเห็นว่าพรมพ อ, อารมณ์อย่างหนึ่งเช่นะสมมติว่าอากาศดีคนเข้าไปอย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงก็ฉกสวยประโยชน์จากการสูดหายใจลึกๆเอาอากาศดีๆเข้าไปสู่ร่างกายจะน้อยก็เสริมสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นคนหายใจไปธรรมดามันก็ได้แบบธรรมดาธรรมดา ยิ่แสดงเห็นว่าตัวรู้เท่าทันทำความเป็นจริงจึงเป็นตัวที่มีความสําคัญมากเพราะลักษณะอารมณ์ที่ผ่านมาก็เหมือนกันอารมณ์แกก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราก็ต้องเห็นรูปควงเสียงลมกลิ่นเรื่องวัตถุต้องหยุดร้อนหนอนขังเราก็จึงนึกถึงอารมณ์อยู่เป็นปกติธรรมาดาปัญหาในการปฏิบัติขั้นแรกที่ส่งเน้นก็คือว่าการเลือกเฟ้นรับอารมณ์ กรรมการสำรวมระวังนั้นไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดูไม่เห็นไม่ฟังไปหมดทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็ดูรูปฟังเสียงดมกลิ่ลิมรถอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็มีการกำหนดรูรูปเสียงกลิ่นรถเหล่านั้นเพราะเป็นทางเกิดกิเลสหรือเปทางเกิดของธรรมะถ้าเป็นทางเกิดของกิเลสก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจ ตอนนองใกล้ๆกับแก๊สพิดอย่างกล่าวแล้วว่าเมื่อต้องเป็นแก๊สพิษเราก็าป้องกันเอาไว้แม่ข้าวมาก็จบกันแค่นั้นเองแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดธรรมะเราก็ใส่ใจในเรื่องอารมณ์เหล่านั้นเพราะการรับรู้ธรรมะการรับรู้กิเลสคือทางข้าของธรรมะกับทาง ข, ข้าของกิเลสล้มันก็ข้ามาทางเดียวกันคือข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยกัน ว่าในชั้นหนึ่งจึงสูงสอนในรูปของการประพฤติปฏิบัติทีเรียกอ่าปมาทคือไม่ประมาทได้แก่ระวังจิตของตนเองอย่าให้กำหนัดในอารมณ์ซึ่งมีลักษณะกระตุ้นให้เราเกิดความกำหนัดเราระวังจิตของเราไม่ไปแก้ที่อารมณ์อารมณ์ก็ ย, ยั่วยวนกันไปมันก็เรื่องของเขาเพียงแต่เรา แ, แก้ที่ใจของเราคือระวังใจอย่าให้กำหนัดแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ระวังใจย้ายกัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกัดเคืองอาจจะมีการด้วยยุทา้าทายดา่าทอสารพัทดที่จะทำกับเรื่องต้องเขาวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นคุนสังเกตว่าจะไม่เอื้อมไปแก้ข้างนอกแต่ให้แก้ภายในใจของเราเช่นงแสดงว่าโกฏทังกัตวาสุ ข, ขังเสติฆ่าวความโกรธได้อยู่เป็นสุขฆ่าวความโกรธได้จไม่เศร้าโศก ไม่ได้สอนให้่าคนที่เราโกรธเพราะฆ่าคนที่เราโกรธแล้วก็มีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาคือไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ไขอะไรข้างนอกเราแก้ไขข้างในเราคือทําในเรื่องที่เราทําได้ทําแล้วหมดปัญหาหรือบรรเทาปัญหาไม่จะไปทําแล้วไปสร้างปัญหาถ้าเราไปแก้ที่ข้างนอกอารมณ์มายุ่ยยุ่มท้าท า, ทายดา่าทอให้เราโกรธเราก็โกรธโกร ธ, กรธแล้วก็ด่าไปด้วยแล้วก็รุนแรงต่อไปด้วย คนนี้ก็จะสร้างปัญหาปรากฏว่าเป็นไม่ว่าจะแก้ปัญหาแต่กลายเป็นการสร้างปัญหาและบางทีก็ปัญหาเหล่านั้นก็จะยืดเยื้อ ย, ยาวนานออกไปเพรา ะ, ะนั้นพุเจ้าก็สอนให้มาแก้ที่ใจโดยอาศัยวิญญาณวิญญาณขันนั่นเองคือวิญญาณทั้งห้าประการทั้งทัุ้ประการนันทิกาแล้วนั่นเอง ระวังใจอย่าให้กำหนักอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้ลุ่มหลงแ ม, ม้จะมีการยั่วยวนให้รุ่มหลงอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ลุ่มหลงเราก็ใช้ปัญญาสอนสอไนไินิจนาไปเรื่อยรู้เท่าทันทำความเป็นจริงไปเรื่อยจนระวังใจอย่าให้ประมาทเผลอเรือหลงดื่มต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป